วิธีสร้างอำนาจจิตตอนที่สองเมื่อตอนที่แล้วเขาพระเจ้าได้อธิบายให้เข้าใจแล้วว่าอำนาจจิตมีอยู่ในตัวเราเสมอตลอดเวลาเพราะการที่อวัยวะต่างๆของเราทำงานได้เคลื่อนไหวได้นั้นไม่ใช่สมองและประสาทเป็นตัวการไปบังคับควบคุมกระแสประสาทที่วิ่งไปมาตามเส้นประสาทต่างหา ที่เป็นตัวการบังคับควบคุมซึ่งเรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีมานานแล้วในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และในทางจิตวิทยาเป็นแต่นักวิทยาศาสตร์ในทางนี้ยังไม่รู้ถึงความจริงว่ากระแสประสาทที่ว่านี้ก็คือกระแสจิตหรือกระแสวิญญาณ น, นั่นเองและเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าตัวการที่บังคับควบคุม อวัยวะต่างๆในร่างกายให้ทำงานนานคือจิตข้าพเจ้าจึงได้อ้างหลักธรรมในพุทธศาสนามาให้ดูว่ากายวิน ญ, ญาตและวจีวิน ญ, ญาตนานมีจิตเป็นสมุดฐานและยังชี้ให้เห็นอีกว่าร่างกายซึ่งเป็นวัตถุและเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นรูปร่างตัวตนขึ้นได้ก็ด้วยอานาจจิตซึ่งเป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหลักต่างๆดังที่ได้สรุปมาให้ฟังโดยสังเขปนี้ได้ที่บายมาแล้วในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนซึ่งถ้าท่านเข้าใจหลักทั้งสองประการนั้นดีท่านก็จะมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งอำนาจจิตว่ามีอยู่อย่างมากมายเพียงไรลองพิจารณาดูอีกครั้งชีวิตที่เริ่มเกิดในท้องแม่นั้น ครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆซึ่งมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นครั้นแล้วต่อมาจุดเล็กๆที่ว่านี้ก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นตัวตนที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าวิญญาณจากไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานา ม, มารูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือหลกอันนี้โปรดพิจารณาบ่อยๆ และพิจารณาให้ละเอียดอำนาจอะไรที่ทำให้ร่างกายของคนเราเกิดและเจริญเติบโตขึ้นมาจะลืมข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งที่เคยกล่าวบ่อยๆว่าสิ่งใดถ้าเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นจะต้องมีความหมายเมื่อเข้าใจหลักดังที่กล่าวมาแล้วก็ขอให้ลองเทียบเคียงกับชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆในโลกเทป ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างในโลกทิพย์เช่นร่างกายเสื้อผ้าอาหารที่อยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆเกิดจากอำนาจจิตและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยจิตหรือวิญญาณก็คือพระเจ้าที่สร้างโลกและสิ่งทั้งพวงในโลกดังพุทธพจน์ที่ว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย วิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณและอีกประการหนึ่งคอยพิจารณาดูข้อเท็จจริงที่ ร, รู้รู้กันอยู่อีกอย่างกล่าวคือสื่อในการติดต่อระหว่างคนเรานั้นโดยปกติเราใช้คำพูดตัวหนังสือและกิริยาอาการต่างๆที่แสดงออกทางกายสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากจิต ใครจะสามารถบังคับคนอื่นหรือเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอํานาจจิตหรือพลังจิตที่เป็นตัวการก่อให้เกิดคาพูดตัวหนังสือและกิริยาอาการต่างๆโดยที่สุดผู้ที่จะสามารถใช้อํานาจจิตสะกดคนอื่นให้หลับ หรือให้เป็นอะไรให้ทําอะไรได้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือในการติดต่อเช่นคําพูดหรือกิริยาอาการที่แสดงออกฉะนั้นท่านจะเห็นว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังข้อความสําเร็จต่างๆนั้นก็คืออํานาจจิตอันหนึ่งอํา น, นาจจิตหรือพลังจิตนั้นนอกจากที่เราจะสังเกตเห็นได้ ในขณะที่มันแล่นไปมาตามเส้นประสาทแล้วสำหรับผู้ที่มีสมาธิสูงถึงขั้นได้ตาทิพย์จะสามารถมองเห็นถึงรังสีหรือแสงที่แผ่ออกมาจากจิตของแต่ละบุคคลอีกด้วยลักษณะของรังสีหรือแสงที่แผ่ออกมาจากตัวคนนี้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยใจคอหรืออุปนิสัยต่างๆ และยังสามารถบอกให้รู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันมีอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นอีกด้วยเพราะลักษณะของรังสีที่แผ่ออกมานั้นสําหรับคนที่มีสุขภาพดีกับคนที่เป็นโรคมีลักษณะไม่เหมือนกันและยังบอกให้รู้ถึงชะตากรรมหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้าก็ได้ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดมาก ถ้าจะเขียนออกมาก็เป็นเรื่องยากมากฉะนั้นจะของดเอาไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ดีในเมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าอํานาจจิตคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรปัญหาต่อไปที่จะต้องทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งก็คืออํานาจจิตหรือพลังจิตเกิดจากอะไรโดยปกติ เราจะสังเกตเห็นอยู่เสมอว่าถ้าร่างกายอ่อนเพลียเจ็บป่วยขาดอาหารกาลังทางร่างกายไม่มีอำนาจจิตก็อ่อนไปด้วยและถ้ากำลังของร่างกายไม่มีเลยกำลังของจิตก็พลอยไม่มีไปด้วยเช่นเกิดความอ่อนเพลียระเรียใจหมดกำลังใจไม่อยากจะทำอะไรหรืออยากจะเคลื่อนไหวอ ย, อย่างไร ก็ไม่อาจบังคับร่างกายให้เป็นไปตามความปรารถนาได้จากข้อสังเกตอันนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพค้นคว้าหาเหตุผลจนกระทั่งในที่สุดรู้แน่ชัดว่าอำนาจจิตเกิดจากการเผาผลาญอาหารให้เป็นกำลังงานภายในระบบของเซลล์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้ว่า กำลังกายกับกำลังจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากอันที่จริงเรื่องที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงความจริงในด้านหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะถ้าเรามีสมาธิสูงถึงขั้นที่จะมองเห็นกายทิพย์แล้วเราจะมองเห็นว่าในขณะที่คนเรากำลังจะตายซึ่งเรียวแรงทางร่างกายไม่มีเลยนั้น ในขณะนั้นจิตใจส่วนลึกได้มีพลังสูงยิ่งจิตยิ่งเป็นอิสระจากกายเนื้อมากเพียงไรพลังจิตก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นความจริงอันนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากไม่ทราบเพราะฉะนั้นจึงมักจะมองแต่ในแง่ว่าถ้าจะให้พลังจิตเข้มแข็งก็ต้องเสริมสร้างพลังทางร่างกายให้แข็งแรง หารู้ไหมว่าจิตก็มีโครงสร้างของมันโดยเฉพาะอาหารของจิตที่จะทําให้จิตมีพลังเข้มแข็งนั้นเป็นอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าจะต้องพึ่งอาหารของร่างกายเสมอไปขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงอันแรกตอนที่ร่างกายเป็นเพียงจุดเล็กๆในท้องแม่ในขณะนั้นเรี่ยวแรงของร่างกายไม่มีแต่ พลังอะไรที่ทำให้ร่างกายเกิดและเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆและในบางกรณีซึ่งเรียวแรงทางร่างกายเกือบไม่มีหรือมีไม่พอแต่พอเกิดความตกใจหรือเกิดกําลังใจอย่างมากเรียวแรงทางร่างกายมาจากไหนในขณะนั้นเช่นสามารถยกของหนัหนกๆเกินกําลังตามปกติได้เช่นนี้เป็นต้น ข้อเท็จจริงประเภทนี้ต้องพิจารณาดูบ้างอันหนึ่งในทางพุทธศาสนามีเรื่องอภิญยาซึ่งแปลว่าความรู้ชั้นสูงหรือความรู้ที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างที่รู้รู้กันเช่นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆหูทิพตตาทิพอ่านใจคนอื่นได้ ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นความสามารถที่อยู่เหนือมนุษย์ธรรมดาเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้การฝึกเพื่อให้เกิดอํานาจพิเศษที่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับการบำรุงร่างกายทางอาหารหรือทางยาแต่เกี่ยวกับการหัดรวมพลังจิตให้มีความเข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่การฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสนาจากข้อเท็จจริงอันนี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าการสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยการฝึกจิตหรือการเพิ่มพูนโครงสร้างของจิตแต่ละอย่างให้มีความสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าการที่จะฝึกจิตให้มีความสมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพดีด้วยจิตหรือวิญญาณก็มีโครงสร้างเหมือนกับร่างกายกล่าวคือร่างกายของคนเรานั้นย่อมประกอบด้วยอวัยวะต่างๆซึ่งอวัยวะเหล่านี้ก็ต่างก็ทำหน้าที่ของตัวโดยเฉพาะและทำงานประสานกันถ้าอวัยวะต่างๆเหล่านี้แข็งแรงสมบูรณ์ ก็ย่อมมีผลทาให้ร่างกายทั้งหมดแข็งแรงสมบูรณ์การบำรุงร่างกายย่อมหมายถึงบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันเช่นในกรณีที่จะสร้างจิตใจของเราให้มีความกล้าหาญชาญชัยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดแม้กระทั่งความตาย พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้ว่าเราจะต้องมีคุณธรรมดังต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์คือศรัทธาศีลาหุสัจจะวิริยารัมพะปัญญาคุณธรรมเหล่านี้เรียกว่าเวสารัชกรณธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่ทำให้กล้าหาญคอยพิจารณาดูตัวอย่างในหลักธรรมที่กล่าวมานี้ แล้วท่านก็จะเห็นว่าการสร้างพลังจิตให้มีความเข้มแข็งหรือให้มีจิตตาโนภาพยิ่งยิ่งขึ้นนั้นต้องมีการสร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดไม่ใช่มุ่งแต่จะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพียงอย่างเดียวหรือพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งเช่นการที่จะสร้างให้คนเรามีความฉลาดรอบรู้นั้นต้องอาศัยการเรียน ซึ่งก็หมายถึงจะต้องหัดให้จิตมีความคิดมีความไตรตรองมีการเทียบเคียงการบำรุงร่างกายโดยอาศัยอาหารเพียงอย่างเดียวหรือจะไปรับประทานยาวิเศษอย่างไรก็ช่วยให้ฉลาดไม่ได้ถ้าไม่มีการเรียนอย่าลืมว่าร่างกายเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมส่วนจิตเป็นนามธรรมฉะนั้น การสร้างพลังจิตให้มีพลังยิ่งขึ้นจึงต้องอาศัยกรรมวิธีทางจิตซึ่งจะได้อธิบายโดยละเอียดในตอนต่อไป